กาดีทุกท่านตั้งใจดีคำว่าตั้งใจดีนั้นมีบารีรับรงว่าสัมปัิตั้จิตตั้งเสยยโสนังรตุกเร่การที่ตั้งจิตไว้ชอบย่อมได้ประโยชน์มาก ในเบื้องต้นทุกท่านในนมาสการพระศาสดาจารย์เป็นพระบรมครูของพระพุทธศาสนาทุกท่านเป็นชาวพุทธยอมรับนับถือวา่าปัจจัยฐานีเป็นชีวิตจิตใจ ย, ยันสำคัญ กิจวัตรของวัดที่ปฏิบัติเป็นหลับนับมาในเมืองปุนของุูชาพระนตรัยคือพระพุะทธธรรมประสงโดยอามิดเรียกว่าอามิดสบูชาแรดงความเลืรรเ่อมใสแย่งใจตากอดด้วยอามิ์ และปฏิบัติบูชาคือการกราบไหว้ด้วยความการอบในรักธรรมเป็นจางกับประดิษฐ์ในวันนี้ก็มีกิจพิเศษเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของรูปป่ากายของคนยมชอบ ที่ทุกท่านก็ทราบกันดีเมือ่อมีโอกาสเหตุการณ์เกิดขึ้นชี่นี้ทุกท่านก็จะแสดงความสามาัคคี <c oughs> คือความร่วมเพียงบบกันช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยให้เป็นกำลังใจของมิตรของสหาย หรือเป็นการบำเพ็ญอุทิศส่วนบุญเนี่ยเกิดผู้ที่ดวงลบไปเขาเป็นอาหารใจ <c oughs> บุญนี้เป็นนมามธรรมใจของบุคคลที่ทิ้งขันไปแล้ว <c oughs> ก็เป็นนมามธรรมอาจดวงวิญญาณของท่า น, นเสียไปยอมรู้ มาคนนั้นน้องคนนั้นพี่คนนั้นมิตรสหายที่คุ้นเคยกันได้มาทำบุญอุทิศท่านก็จะอิ่มใจในวิญญาณของท่านก็อิ่มใจความอิ่มใจเนี่ยอันนี้บุญอันนี้จะนำดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ คือความเป็นมนุษย์ซึ่งยังเรียนไหวใจเกิดอยู่ในวัฏฏะเป็นหลักธรรมะคือฝ่ายดีควายดีดยนะั่นคือขุสนและจิตจิตของท่านทุกท่านเป็นขุสนจิตของท่านฉลาดในการที่จะบำเพ็ญความดี เป็นสื่อแห่งความดีเป็นคุณธรรมอันสำคัญแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุขฆาสังคัตสามากีความพร่มเพียงของหมู่ที่อยู่รวมกันให้เกิดความสุขความอบอุ่นทางจิตใจถ้าคคนเราเกิดมา ต่นี้หน้าเป็นชินนี้ไปไม่ได้ถึงันละลึกคิดอย่างนี้มีเหตุคือบําเพ็ญบุญฉะนั้นธรรมาจะกล่าวหลักธรรมพอเป็นเครื่องชุ่มออกชุ่มใจให้เป็นวิสัยแห่งบุญ เพราะว่าบุญนี้เป็นที่พึ่งของท่านทุกท่านอุโปโภบุญยันยาปาปัญจยังมัจโจกุรุเตีทธท่านตรัสว่าสัตว์ที่ต้องไปเป็นไปเช่นนี้ ต้องรับรองบุญและบาปทั้ ง, องสองอย่างนั้นแต่ทําบุญบุญนั้นก็รับรองบุ้นั้นไปตันนีตัตสาสกังโรติบุญนั้นเป็นของของผู้นั้นแท้ปัญจอาดายาคัเตเจติผู้นั้นต้องรับรองบุญและบาปนั้นไป ชายาวะอนุบายนีเหมือนเงาติดตามผู้นั้นไปอย่างนั้นฉะนั้นในทางศาสนาี่เน้นให้เราท่านต่างเห็นบุญทุกท่านก็ทำบุญอยู่เพื่อซ้อมความเข้าใจทำความเข้าใจชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ พระบูมีพรภาคก็อยู่ด้วยบุญท่านบุญญาพิสังขารบุญหล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่อยู่ดีไปดีมาดีเป็นสี่มงคลจึงเราจึงบำเพ็ญทานกันทานคือการเสียสะละเวลาเล็กน้อยนต่ ออกเป็นการบำเพ็ญบุญเพื่อเกือ้อกูลซึ่งกันและกันจงครอบซึ่งกันและกันภาษาธรรมะแต่ว่ามิตรอุปากรซึ่งกันและกันช่วยสุขช่วยทุกข์ แน่ที่นำประโยชน์ให้อนุเคราะห์ทรงเคราะห์เพราะฉะนั้นบุญนี้กันตำ่ำพระบุญญาพิสังขาญบุญตกแดงการบำเพ็ญทานของราชนิด บาถวายสังฆทานบ้างถวายป่าป่าบ้างอะไรหลายอย่างถวาก็กระิ้นบ้างองีกนี่เรื่องว่าเรื่องบุญเนเมื่อก้เก็บไข่ได้เป็นกรานีมลพระมาสวดอภิธรรมเพื่อ ผู้ฟังหรือผู้ที่ดวงนับไปแล้วก็เข้าใจครับธรรมะเป็นนามธรรมเป็นสื่อนำเข้าสู่ใจของผู้รวงรับไปแล้วแม้แต่ผู้อยู่ในปัจจุบันก็จะเข้าใจในหลักธรรมธรรมที่เป็นกุศลความฉลาดของจิต บุญก็เป็นการแต่งจิตในชาตเจ่นศีลก็เป็นบุญคนเราต้ออยู่รวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ด้วยความฉัมคีพระภูมิพระภาคเราเราอยู่ด้วยบุญด้วยเกื้อกูลถึงกันแลยกันเราจเจริญแผ่เมตตาพึงกันแลยกัน เมตานี่เป็นเอุให้ได้รับความสุขเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาและอมนุษย์และปงกนภไฟอักขีไฟไฟก็ไม่ไหม อย่าพิษก็ไม่กำกลายตัตราวุธของก้าวกลไม่ได้มุกาวนโนวิปัสสิหน้าตาผงใสคือความสุขทางใจผิวพันผ่งใสเพราะใจของท่านทุกท่านมีความสุข ใจอิ่มไปด้วยบุญบุญนี่ตกแต่นใจครับวัตถุภายนอกเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเห็นประโยชน์จึงในรูหนาวก็มีเครื่องปกปิดค่าวิชาอางกายนี้ให้ตนต่อความหนาวได้หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายอย่าง ปีง่ายความสุขในทางกายความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นความสุขความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีก็มีความสุขเห็นหน้าจึงกันก็เยี่ยมเยี่มเจีมใสเพราะเป็นกัลยาณามิตรในตับหลักธรรมะปาการะมิตรปาการะ นี่หลักธรรมเรื่องเรื่องของบุญภาวนาไมยที่เราฝึกใจอยู่ในขณะนี้วัดธรรมตาโรธรรมหาสุปชัยเป็นเจ้ า, าวาดโดยนิติตามพระวินยัยญาโยม ทุกท่านให้อุป ก, า, การะเพราะพระอาศัยญาติโยมท่านก็เป็นผู้นำของพุทธบริษัทเพื่อให้มีวัดขึ้นมาวัดนี้เราได้ไปชุมกันบําเป็นสาธนากิจถ้าก็ทำบุญถวมนทุกวันทุกวัน ญาติโยมก็มีโอกาสก็จะบำเพ็ญทานเพื่อให้ท่านดำรงทรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยปัจจัยอาหารปัจจัยสัมเมสตารัติกาัทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารพระสงฆ์องค์เจ้าทุูก็อาศัส่ญาติโยมทุกท่านญาติโยมเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของพระ ผู้ชายก็เป็นพ่อของพระผู้หญิงก็เป็นแม่ของพระนี่เป็นลักษณะของที่ความเป็นอยู่ที่ได้ทอดตูลบูชาพระพุทธศาสนาพระนิจธัรมเสียสละมาแล้วสรละความทุกๆอย่างในกางคารวะไม่มีอะไรแล้วสมบัติทุกชนิดเป็นของของวัดของสงฆ์ เพียงรักษาไว้ในใชร่รวมกันเป็นเกียรติของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะงานชาติคือความเกิดทุกท่านเกิดมาดีแล้วอะไรอะไรเลิกป่าความเกิดมาดีนี่ไม่ได้พระพุเทธเจ้า ต่ว่ากิจโชคมนุษย์ปริยาภูความกลับได้มาเป็นมนุษย์เป็นเลิศดประเสริฐยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแล้วเพราะสามารถคำนวณ น, นับว่าประเทศนี้เท่านั้นล้านประเทศนั้นเท่ากันร้อยล้านหรือพันล้านเป็นต้นชวนผู้ที่เคยเป็นสัตว์หีสารประมาณนั ประมาณเท่านั้นเท่านั้นประมาณนับด้วยเครื่องนับไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นเลิศแล้วทุกท่านมีบุญแล้วเราอา่าประมาทเราก็สร้างบุญต่อไปอ่ถ้าประมาทประมาณโดมัตุวโดปดังความประมาทนก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเอาญาติโยมที่เสียไปแล้ว เขาทาอะไรไม่ได้อาสัยเยอะญาติพี่น้องในโลกนี้ทําบุญดูทิ้งให้ทางเขา อ, อาศัยท่านมีบุญก็ต้นทุนของท่านก็มีอยู่เราทําบุญใหม่ก็ต่อต้อนทุนในท่านมีความจเจริญมีทรัพย์เจริญก้าวหน้าต่อไปเกิดมีทรัพย์สมบัติมีรูปสมบัติมีปัญญาสมบัติปัญญาคือความเฉลียว นำดวงใจของท่านไปสู่ความเจริญเป็นสุคติแต่พุทธเจ้าตรัสว่ากิเตอาังกิเิเตสุคติคิดที่ไม่เามองคิดที่ผ่องใสไปสู่สุคติเห็นภาพเห็นความเป็นไปในอนาคตเห็นสมบัติของตอนในอนาคต ตาบรมสารพัดจึงทรงมีปปิญชาญานเห็นกันไกลเป็นวิสัยทัศน์พระองค์ทรงประปร ะ, ประทนารู้ทุกอย่างอิตโตสบันยุตยานังทรงประรถนารู้ทุกอย่างอิตที่วิธีสามารถแสดงพิสได้ถ้าเราท่านทั้งหลายทำใจอสองบระับดับอารมณ์ คมอารมณ์คิดเราไปเสแสรดนะับอารมณ์ภายนอกเครื่องกลางบนต่างๆทางศาสนาตทางตัวอารมณ์บางทีอยินดีบ้างอายินร้ายบ้างเป็นที่ปรารถนาบ้างหมายเป็นที่ปรารถนาบ้างมันจริงที่ไม่แน่ไม่นอนทวนความดีนี่เป็นของแน่นอน คำสอนในทางศรสนาั้งจัดเลยเป็นเ อ, อกภาพเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ได้ดีล้วนๆเพราะงั้นเราศึกษาศึกษาไปเราจะเข้าใจในบุญของตนเองเพราะงั้นการทําสมาธิจิตกูบา อ, อนนาจารย์อธิบายเราไม่รู้อะไรให้รู้ลมหายใจครับ ล, ลมหายใจในี่เขาอัดสาสะอัดสาสานี่ลมมา หาใจออกก็ได้ตามๆตามให้ทิบายไว้ในระติดดกหายใจเข้าถูบลมเข้าไปทำให้ลมภายในดีขึ้นมาสลับเปลี่ยนกันจนอาุอาสาซาอาซาซาหเข้าวายออกออกทั่วสั้ง่างกาย ลมนี้เราออกทั่วสหรับ่ังกายร่างกายก็สบายร่างกายก็เบาเมื่อร่างกายดีแล้วแต่เรามีสติควบคุมจิตกายนี่เป็นการณามิตรกับใจต่อกายนี่เป็นเป็นเบาของใจถ้ากายเป็นสายเกิดขึ้นในจิตของของเราแล้ว นายคือใจนี้ก็มีความรักในเบาเบาก็มีความเคารพในนาวในในายเพราะนายดีเป็นเชือบเนื่องกันอย่างนี้นี่ท่านอาธิบายไว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฉลาดเห็นกันไกลท่านเน้นให้เราเห็นว่าแล้วเราพิจารณาตามความเป็นจริงว่าใจก เ, เราอาศัยอาศัยบ่าเนี่ยกายเนี่ยอยู่ กายนี้เหมือนบารเรือนแต่วันเดือนจำนุดนิดนิดหน่อยหน่อยเจ้าของเรือนต้องส้มเกายนี้ก็เหมือนกันต้องรักษาต้องรักษาต้องเสียสราอังคังจะเจชีวิตอังนังจะเจ อ, อังกรษจะเหตุ จะราทราเพื่อรักษาอวัยวะทุกทุกส่วนอวัยวะนี่เป็นส่วนที่ดีเป็นเครื่องประกอบของของร่างกายเมื่อเครื่องประกอบทุกส่วนล้วนแต่ดีมีความสามารถขีดกันนายก็สบายเดียวนายคือใจสบาย ธาตุดินก็ธรมานธาตุดินธาตุไฟก็ธรรมานธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำอากาศธาตุช่องว่างลมก็เดินทั่วแล้วบางกายวิญญาณธาตุก็รู้วิญนญาณธาตุรับอะไรต่างาก็เห็นว่ามีคุณภาพก็สูงเข้าสู่ใจสูงเขาหายนายก็สบายใจทุกๆส่วนนี่พิจารณท่านตรัสไว้ การยิงสอใ้บำเพ็ญสมาธิจิตที่ดีมีอารมณ์เป็นนึงเอากราคตาจิตแต่เราต้องฝึกกนานๆแต่เราฝึกนิดนิดนหน่อยๆยก็ทำบ่อยๆเมื่อเราสั่งสมทรัพย์เอาทรัพย์ไว้ธนาคารทรัพย์นั้นก็มีอยู่ในนาคาร ลืมตาก็าเห็นทัพหลับตาก็าเห็นทรัพการบำเพ็ญความดีนี้ก็เหมือนกันเราลืมตาก็าเห็นทรัพในจิตของเราตัทาทนางังทัพย์คือศรัทธาทรัพย์นี้แต่งให้เรามีรู ป, ปากายมีอวัยาวะทุกส่วนล้วนครบบริบูรณ์เป็น เป็นบุญอันสำคัญของราอ่างกายแต่งใจใจนี้ไม่วิปริตแต่ดังใจอย่างหนึ่งใจเป็นปกติใจดีใจมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นสมาธินี่หล่อล้อมดวงใจให้เรามีความสุขเรียกว่า สุขที่ไม่ต้องอิงามิรในวิธีการของบำเป็นธรรมแต่เราทําสม่ำเสมอเราจะเห็นชัดขึ้นมาภาษาธรรมะภาวิตาคือเจริญเจริญทำให้ปรากฏให้เป็นธรรมะที่เป็นกลุ่มของธรรมะ เขียนวิตกตรึกอยู่กับลมหายใจเราให้ดูลมหายใจลมหายใจนั้นมีองค์ภาวนาองค์ภาวนาคือรู้ น, นึกแล้ววิตกตรึกอยู่กับลมหายใจ ท, ท่านอธิบายให้เราเข้าใจว่าพุทธโธ พุโทโธแปลผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเหมือนดอกบัวเนือน้ำถูกแสงอาทิตย์ก็บานอาการของจิตพอได้รับรัศมีแห่งความดีคือพุทธาปรากฏในจิตจิตก็เบิกบาน อาการของกิจมีความสุขทางกิจทน่นก็ิติความอิ่มเหมือนเราบริโภคอาหารอิ่มเปรียบทอดนี้พักผ่อนนอนสบายไม่วุ่นวายในใจไม่ถูกทุกขเวทนาธรรมะ ที่เรามาเจริญกรรมฐานกรรมฐานคือการอานทางใจนึกถึงพุโทโธไปผู้รู้ไปผู้เบิกบานเมื่ อ, อาการของสมาธิเดินวิตกวิจาร์ปีติเปลว่าเบาเบากายเบาใจ จิตเราตามมรุตาอ่อนเฉวยควรเกดกะานานอะไรที่เราทำอะไรสำเร็จแล้วจิตใจก็เบิกบานการงานทุกอย่างเราทำสำเร็จแล้วปริพภ o กังวลมันหมดจับจิตจิตสบายท้นได้บายจิตทัาไปีตีความอิ่ม ธรรมปีติยิงอิ่มในธรรมเราสั่งสมความดีความดีนี่เป็นธรรมความดีนี่นำดวงใจของเราของท่านไปสู่ความเจริญตามลดับขั้นของความดีอย่างต่าก็เป็นมนุษย์ผู้ที่มีธรร ม, มะยิ่งไปกว่านั้นมีศีล ส ก, กายที่กายตามความยิดถือในวิตกท่านพ่อดีท่านว่าวิตกนี่สัญญาอารมณ์แช่ไปเรื่องต่างๆท่านว่าให้เกิดความกังวลท่านพ่อดีนี่ตำนานในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาท่านแตกฉานเพราะท่าน เอจิงโอจังการทําจริงเนี่ยเตะฉานทุกอย่างถึงเป็นบา ร, รมีของท่านในบา ร, รมีสิทิขนทานบา ร, รมีอะไรก็เจก เ, เ, เจ๊เจ๊ไม่หวงเห็นศีลมีจิตใจมื้นแป่นดินใครจะว่าอย่างไร ใจจะบูชาหรือนึ่บูชาแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวใจของท่านก็ไม่ไหวไปตามเรื่องราวของโลกเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนั้นใครจะแก้ไขเรื่องของโลกไม่ได้เป็นธรรมดาของโลกแต่เรารู้เรื่องของโลกไว้เท่านั้นเรารู้เพียงอาศัยคือเราไม่ได้ติดในทางโลกเพียงอาศัย ท่านพ่อจึงเพียงอาศัยถึงคือท่านมีเมตตามันเป็นเมตตาต่างปัญญาบารมีเห็นการไกลวิสัยทัศน์สั่งบารมีปัญญาบารมีปัญญานีนสำคัญจ้องให้มองเห็นการไกล เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมีปัญญาบารมีเช่นอิทธิบิตีแสดงวทิ์ได้ผู้ใดเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเอ็นลิ์ของพระพุทธเจ้าก็เรื่อมใส อ, อ, อ, อ, อย่างพวกเจดินสามพีน่น้องบูชาพเพลิงมีพญานาค พระผูมีพระคับปัาศัยก็ไม่มีที่อาศัยที่พญานาคคำนั้นปกครองดินเหล่านั้นนึว่าเออปญานาคต้องทําลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะได้งาปิญญานประยชน์ของพญามากหมดปัญามากถึงปกคลุมประเสิทธิ์พระพุทธเจ้าไว้เพราะมีมีอาปิหญาน กิต mm ิเจตโตบริยานกำหนดจิตได้มโนมายิตลทิ์ทางจิตท่านอธิบายไว้สมะก็ทำจิตในสงบระอาบชั่วขณะสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วตั้งจิตประสงค์อะไรให้จิตสงบจริงๆให้จิตเป็นหนึ่งอหญ่โบกแวกไม่ได้เห็นอานิสงส์ผลแห่งความดี ยิ่งปรากฏแก่ผู้ผู้บำเพ็ญการทำเหมือนเราทานอาหารอาหารที่ถูกดินถูกธาตุบริโภค พ, พอดีอรมณ์ทำร่างกายกายชุ่มกระชวยส่วนการบำเพ็ญความดีนี่มันกันทาไม่กิดมันผ่องใสวจะมีแย่างความดีคือแผ่ทั่วทั้งร่างกาย ท่านเรียกว่ามีอาบิญิหารขึ้นมาเจโตบริญญาญณรู้จักกิดเพราะงั้นพระองค์จึงบำเพ็นพระเจ้าพระพุเทธเจ้าทรงประนามทีบังกนทรงพยากรณ์แล้ววพระพุเทธเจ้าอางค์เนี้หรือศรีองค์นี้จะเป็นพระพุเทธเจ้าในอนาคต หลงพ่อบุเนริตว่าสามแสนปีแต่ภาษาของหลักที่ท่าพียสงไขแสนมากับในกับกับหนึ่งมีคนวิเศษเอาป้าขาวมาปาดผูเขาลาบไปหน้าโลงกับหนึ่งแสนมากับศาสนาโลกนี้ว่างจากศาสนาพุทธทถึงเกิดขึ้น ตัมพุตตโกโดมบรมารัสดาของเรา จ, รง จ, รงจรึงเกิดจึงเผยแผ่เจ็ดใจให้ธรรมะดูแผ่ไปนานาประเทศตะวันตะวันตกองค์จึงทรงทราบอาาคาตังกายานาะแต่เรมาคิดกันนน่าเรื่องใสพระพุทธเจ้าทรงมีพยานเห็นกันไกลปุพเพในวาสานุราสึกชาได้ หนึ่งชาติสองชาติสามชาติล้วท่านต่างหายบำเพ็ญธรรมะให้จิตสงบระับเข้าฌานก็เดินฌานอีกวิจตุวิจารปีตุกปทุมฌานทุติยาฌานตติยฌานฌานสี่ก็สามารถที่จะรู้ ปุเพนิวาสานุทาิานแสงส ว, ว่างมองเห็นเนี่ยมองเห็นชาติถึงชาติตชาติสามชาติแต่เราทําเฉยเฉยอุอเบกขาทำเฉยเฉยไอใจมันเย็นใจเย็นใจมีธรรมะคือเย็นความโมตอนเป็นกุณาธรรมมันสำคัญอมตุลต่ อ, ตอวความกกกรรม ไม่สบายก็ต้องโหยทนุนถูกอารมณ์ต่างๆคนเราจะจะอยู่ในอำนาจของเราไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้หรอกแม้เราจะบังคับตัวเองเราอย่างไม่ได้ใจมันบังคับคนอื่นอย่างไรได้อำนาจของร่างกายไม่เป็นไปในอำนาจของเราความเป็นจริงเป็นไปจริงนั่นแต่เราเข้าใจในความเป็นจริงเราก็สบาย เราจะคายคายความยึดมัน่นัวยึดมันผูกป่ไยเหมือนคันจะหนอผูกเมื่อเราเชือกมาผูกขันแ น, น่นๆรัดก็รัด ก, ดก็ไม่เจ็บสิแต่เราคลายก็ไม่เจ็บดีเป็นหลักธรรมะที่เราต้องมีขันติคือความอดทนฉะนั้นทุกท่านที่เราทําความดีความดีนั้นไปไหนเป็นของเรา เราทิดชวนบุญให้กุณรวมชอบแต่ก็มีจิตตังวิญญาณมองหเห็นอันดีออกดีใจว่าญาติสนิทมิตรหายเรามารวมกันเจ้าอาวาสก็มีออา ร, รมณ์ปฏิโรมยินดีมีน้ำใจเกิเพือ่อมีน้ำใจเกืออกุล อารีอารมณ์ส่งเสริมให้ความสะดวกคร่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นการกล่าวรมพอสมควรแต่เวลาขอความสวัสดีคือความเจริญจงมีแก่ท่านทุกท่านความเจริญโดยอยาอยุปราศจากลูกไป จำใจเดินสมบูรณ์้วยวัตถุที่ตรงอาศายสมบูรณ์้วยอนามัยสมบูรณ์ในกำลังสมบูรณ์ในกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งไม่ถึงขั้นโคมา่าเวลาคนไปเยี่ยมหายขึนห้าสิบเปซหรือหาย หรือสุดวีสัยแล้วก็สามารถจะทำจิตใจขอามันนั้นให้มีจิตใจขึ้นรับส่วนบุญส่วนดุส่วนเพราะฉะนั้นจึงขอว่าทุกท่านมีความสุขกาสุขใจมีนามไปดังกล่าวมาต่อไปนี้ก็เลยได้บาเพ็ญภาวนากำหนดดูรู้ลมหายใจให้เห็นลมหายใจ ถึงเป็นในขั้นต้นของการบำเพ็ญภาวนาเหมือ น, นลมเข้าใจแล้วขายายลมให้เป็นทั่วทัะวพังกายขายายไปเองอะจิจเป็นพลังกิจเป็นอโอโตเมติกสำเร็จไปเองเป็นองค์ของชานทำหน้าที่ สมบูรณ์ถึงเราจะมีพุทธะโปรกในวัวใจเป็นดอกบัวพ้นน้ำพ้นความดีที่เราท่านทั้งหลายทำนี้มากข้ามากข้าวท้กทารจะพ้นจากทุกทุกภพทุกชาติมีแต่ความสุขรวนๆน